เพราะความเจริญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังเท่าไรแต่่มประโพทิยานกำลังนำเสนอเรื่องศีลข้อกาเมีสุมิชฌาจารย์คือการประพฤติผิดในทางกรรมเจอาศีลข้อนี้ปรากฏในอริยมรรคในสองแนวแต่แนวหลักเนี่ยก็คือกาเมีสุมิชฌาจารย์แต่บางครั้ง ก็จะเจอคำว่าอภรรมจรยาเวรมณีซึ่งเป็นศีลที่ประณีตขึ้นอย่าที่บอกไว้ในวันก่อนว่าศีลข้อนี้ต้องการควบคุมกรรมราคะเอาไว้ไม่ถึงกับไปละเมิดสิทธิในครู่ครองของบุคคลอื่นแต่ว่าสามารถแตงงานมีครอบมีครัวเป็นปกติสุขได้ เพราะว่าเป็นคาระแยกว่าเรียกว่าระดับกิเหวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือดกิเลสประเภทโลภะเนี่ยกิเลสประเภทราคะที่จริงก็คือพวกเดียวกับกิเลสประเภทโลภะคือความรู้สึกรักใคร่พอใจเป็นการมองรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่เราสัมผัสมองรูปว่าสวยมองเสียงว่าไพเราะ องกลิ่ว่าหอมองรสป่าอร่อยแล้วก็ไปดูที่สัมผัสว่าน่าจับน่าต้องแล้วก็มีความปรารถนาที่จะเห็นจะได้ยินจะได้สูดดมจะได้ลิ้มจะได้จับต้องในสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อไปทําอย่า ง, งานั้นเข้ามันก็เกิดเป็นกระบวนการคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปตามแนวของพวกตัญหาทั้งหลายเนี่ลักษณะเขาเขาก็แนวเดียวกัน เพราเราจึงจะพบว่าโลภะนี่มันมีคําที่เป็นวิยพจน์คือคําที่ใช้แทนกันได้แต่ว่าปรากฏในที่ต่างๆไม่เหมือนกันเช่นว่าตัณหาคือสภาพจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกรรมตัณหากับภาวะตัณหากรมตัณหานั้นอยากได้ภาวะตัณหานั้นอยากเป็น แล้วบางคราบมันก็ต่อเนื่องกันนะคเช่นเราอยากได้ทรัพย์เมื่อเราได้เราก็เป็นเจ้าของทรัพย์ก็แสดงว่ามันมีซ้อนกันอยู่แล้วความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่เรียกวิปวะตหาที่จริงมันก็เป็นภาวะตหาในอีกด้านหนึ่งคือไม่ต้องการเป็นอย่างนี้ก็คือต้องการเป็นอย่างอื่นไม่ต้องการได้อย่างนี้ก็คือต้องการได้อย่างอื่น ก็แสดงว่ามันก็แฝงแงกันอยู่ก็ปนๆกันอยู่เพราะในแนวของกิเลสหรือแนวของธรรมะมันก็จะมีลักษณะอย่างเนี้ยคือมีกิเลสที่ใกล้ชิดหรือกิเลสที่ตรงกันข้ามแต่ว่าพวกนี้เมื่อมันเริ่มที่กิเลสเนี่ยมันก็ออกมาเป็นทุกข์หรือเป็นกิเลสเมื่อแตกออกไปก็แตกเป็นกิเลสหรือแตกเป็นทุกข์ก็แล้วแต่ ในะคล้ๆกับเนี่ยใล้ๆกับกวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนแต่เมื่อคนนั้นไม่เป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็นเราอยากจะเบียดเบียนล้วก็เกิดเสียใจก็คือโศกะแต่ทีนี้ถ้าเราการุณาเนี่ยถ้าการุณาต่อคนสัตว์ที่กำลังประสบความทุกข์อยู่ เราเราก็ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรใครได้เราก็นึกถึงกฎของกรรมมันก็กลายเป็นอุเบกขาเห็นไหมธรรมะวิ่งกับหาธรรมะกิเลสวิ่งกับไปหากิเลสแล้วมีผลเป็นความสงบมีผลเป็นความทุกข์ตามต้งควรแก่ก ร, รณีของธรรมะหรือว่าก ร, รณีของกิเลสเพรากิเลสประเภทโลภะเนี่ยท่านอธิบายไว้ในอภิธรรมมัทธสังกห자ว่ามีการยึดอารมณ์เปะะนะ็นลักษณะ อารมณ์นี่คืออะไรอารมณ์ที่จริงภายนอกก็มีภายในก็มีนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทภพะนี่เป็นภาษาที่ใช้ไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยนะฮะคือสิ่งที่เรากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวต่างๆเนะี่ยสิ่งที่เรารู้ด้วยกายจับด้วยมือได้รู้ถูกด้วยเท้าได้ถูกตัวต่างๆแล้วเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนะี่ยพอใจหรือไม่พอใจอย่างนี้รสรุปรวมว่าเป็นผลทภพะ แล้วตรงนี้มาถ้ามองไปอีกที่หนึ่งว่าเป็นการป้องกันการมราคะเนี่ยนอกจากตัวอย่างที่ยกไว้ในวันก่อนนั้นเราไปมองศีลอีกหลายสามข้อหลังนะฮะศีล ส, สามข้อหลังในข้อสุราเองมันก็โลภะกับโมหะเห็นไหมไปกำหนดคุณค่าของสุราว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจคือหน้าเดิมอาจจะกลิน่นหอม อาจจะรสอร่อยหรือบางทีก็เรียกว่ารสนิ่มดีอะไรต่ออะไรที่ว่ากันเนี่ยนะเราจะเห็นว่าอาจจะพอใจในสีพอใจในกลิ่นพอใจในรสรสพอใจในผลของมันก็แล้วแต่ะนะพอสัมผัสกับลิ้นเราอาจจะติดตั้งสามสี่อย่างนะลองลองลองสังเกตว่าดื่มสุราเนี่ย จ, จะไปทั้งสามสี่อย่างสีหน้าดื่มกลิ่นหน้าดื่มรสมันน่าอร่อย แล้วก็ปดื่มก็ไปรู้สึกมันนิ่มมันรสมันนิ่มมอะไรเนี่ยเห็นไหมก็กลายเป็นการมคุณแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดื่มไปแล้วมีโทษเพราะงั้นในการดื่มเหล้าเนี่ยมันดื่มเขาเรียกว่าเป็นความโลภแบบโง่ๆคือโง่มันต้องมากนะจึงจะดื่มสิ่งเสพติดเหล่าเนี้ยเพราะว่าผลท้ายมันมันไม่ได้อะไรขึ้นมามันเป็นการทําลายสุขภาพประหลาดนามของตัวเอง นแนวของกา ร, รมาราคะเนี่ยพระเจ้าที่ทรงวางไว้ในศีลอยู่ระดับศีลพวกนี้ก็วิติกรรมมากคือมันล้นออกมาข้างนอกแต่เราสังเกตว่าข้อวิการเนี่ยโดยสถานะของเขาแล้วก็ไม่ได้บาปกรรมอะไรนะให้กินข้าวเนี่ยกินข้าวตอนไหนก็ได้ไม่ได้บาปกรรมอะไรหรอกแต่ว่าพอดีเราไปสมาทานศีลศีลข้อที่สามเนี่ยคืออภรร ม, มจริยาเนี่ย มันมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่ไปกินอาหารอร่อยขึ้นมามีคุณค่าทางอาหารสูงมันไปกระตุ้นความต้องการในทางเพศเผื่ออาหารได้รับประทานเข้าไปเนี่ยถ้ามากเนี่ยตอนแรกมันจะ ง, งั่วงมันจะเมาอาหารแล้วพอมันย่อยแล้วเด่ยมันจะไปกระตุ้นความต้องการทางเพศแล้วิธีบรรเทาก็คือก็คืองดอาหารเสีย ที่จริงเนี่ยต้องการบันเทาการมาราคะเพื่อจะรักษาศีลข้อที่สามเนี่ยให้ข้อสมบูรณ์ทีนี้พงนักจียิตะวาติตะวิสูกรัศนาก็เป็นกันโดยจะเห็นว่าเราเล่นดนตรีเองเนี่ยมันก็กระตุ้นราคานะให้ลองสังเกตดูด้วยบางทีก็ตาเยิ้มเลยนะฮะวาดนตรีตาเนี่ยเยิ้มเลยด้วยความซาบซึ้งดื่มดมอ่าแสดงว่าการมาราคะมันก็เกิดพอใจติดใจยินดีในเสียงดนตรีเหล่านั้น แล้วถ้าไปดูเขาละเล่นเขาก็กระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะให้แกเราก็ตามบทบาทที่มีการแสดงเนะี่ยมันก็กระตุ้นกิเลสทีนี้อุจจารยนะอุจจาสนะแปลว่าที่นอนสูงหรือที่นอนใหญ่นะไม่ได้พูดที่นั่งนะพูดเฉพาะที่นอนมันไปกระตุน้นเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นผดผ้ะคือเป็นสัมผัสที่น่าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจหน้านอนที่มันใหญ่ ก็ไปคิดฟุ้งซ่านออกไปก็ไปคิดถึงเรื่องคนอื่นแนวตัวนี้จึงทรงวางเป็นแบบไว้แก่พลาเนี่ยถ้าเราลองดูให้ดีว่าเป็นวิธีการที่แหลมคมยิ่งนะฮะแล้วผสมกลมกลืนไปโดยโดยไม่ได้บอกแต่มันผลมันเกิดนะเช่นว่าพระเราไปอยู่กุฏิเล็กๆ ก, กระตอบเล็กๆนะฮะ อย่างกุฏิในปัจจุบันส่วนมากเป็นกุฏิวัดเราก็มาอาศัยเขานะเขา อ, อาศัยเขาก็ อ, อาจจะใหญ่ไปบ้างแต่สมัยก่อนที่กุฏิที่อยู่ในป่าเนี่ยเป็นกระท่อมเล็กๆก็อยู่เราสังเกตว่ามันจะไม่เกิดโลภะเพราะไม่รู้จะไปหวังที่ไหนอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเลยจ ะ, ะได้ยังแม้แต่มาเองอย่างเวลาเ้าถวายหมอนพระอิศานหมอนอิงหมอนสามเหลี่ยมเราสะดุ้งทุกที แล้วก็รีบหาที่เคลื่อนย้ายคือไปถวายต่างยองวัดถวายวัดนะถวายวัดต่างยองวัดพอเราติเราเจอหมอนก็สองสามลูกเราก็ยุ่งแล้วนะนั่นมันเป็นการลดโลภะลงไปโดยธรรมชาติเพราะความจำเป็นมันไปบีบบังคับเข้าแนวศีลตรงนีเน้เป็นแนวที่ต้องการจะบรรเ้าสื่อหรือพาหะของกิเลส ไม่เข้ามาสู่จิตของเราเพราะะเพราะว่าโลภะเนี่ยเรียโลภะได้ละคะก็เหมือนกันนะฮะมันมีอาการยึดอารมณ์รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจะต้องกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีเมื่อลอยหายไปเลยแม้แต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง คือตัวอย่างที่ท่านเล่าไว้ในพระคมภีรเนี่เอาเฉพาะอย่างนะฮะรูปเสียงกลิ่นรสปลิตภะเนี่เอาเฉพาะอย่างทําคนถึงตายมาแล้วเพราะอะไรเพราะใจไปกําหนัดเพื่อเพลินนอย่างใดอย่างหนึ่งเอาสักอย่างเดียวเนี่ยก็แย่แล้วไม่ต้องเอาถึงถึงห้าอย่างหรอกกรรมคุณห้าถ้าไปมัวเมามันก็ปลุกบากพูลกผับอะไรต่อะไรต่างๆลองสังเกตแล้วพวกพัตะคาเนี่ยมันยั่วด้วย รูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสน่าจับน่าต้องจะเป็นกินข้าวหรือกินอะไรกันแน่และเวนวิชีวิชาบ้านเนี่ยถ้าไปวิเคราะห์ดูมันเลวไหลยังเยอะเลยเสียเวลาไปเยอะเลยคือันทรัพย์สินเงินทองมันน่าจะทำอะไระมันได้ประโยชน์มากกว่านั้นแต่เนี่คือโลกของโล ก, กิยรรมมันก็เป็นก็อย่างเง้ยเดง แต่ตอนนี้มันเข้ามาสู่อริยมรรคนะฮะคือเส้นทางของพระอริยะเส้นทางที่ทําคนให้เป็นพระอริยะมันก็แผกออกไปจากวิถีชีวิตจริงของชาวบ้านของสามัญชนโดยทัว่วไปพระลักษณะของกิเลสประเภทนี้ที่จริงเป็นกิเลสประเภทสร้างนะกิเลสประเภทโลภานี่เป็นกิเลสประเภทสร้างอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็เพียรพยายามเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นขึ้นไปแต่ตรงนี้ถ้าคุมไม่ได้แล้วยุ่ง พอในสุดบรรจารายเป็นการต่อสู้เพื่อยื้อแย่งกันอย่างที่เล่านิทานให้ฟังในวันก่อ น, นและจับใดที่แกยึดยึดอารมณ์เหล่านี้อยู่เนี่ยแกคลายยากถ้าเรามองเรามองเราลองจินตนาการดูนะจินตนาการดูว่าพระรามกับทศกัณฐ์ที่แกแย่งนางศีดาอยู่นี้นะสิบสีบส่ปีนะฮะตีตางว่าตอนนั้นนางศีดาคิดว่าอายุสนะักสิบแปด แย่งกันสิบสี่ปีเนี่ตอนนั้นนางสีดาอายุสามสิบกว่าแล้วสามสิบสองนะยังแย่งกันอยู่เพราะอะไรเพราะพระรามก็แก่ทศการก็แก่นางธีดาก็แก่ลงไปแล้วก็แย่งกันนั้นเพราะอะไรเพราะเธอปักใจอ่ะเธอปักใจเธอสวยของเธออย่างนั้นเนี่ยใครจะว่าสวยไม่สวยไม่รู้เธอก็สวยของท่านก็จะทําให้นึกถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านยึดอารมณ์ยึดอารมณ์ด้วยเสียงนะ คือนางศิริมาเนี่ยเป็นหญิงนคกขรสอบนีเป็นตำแหน่งนะฮะตำแหน่งทางราชการที่มีการคัดสรรกันขึ้นมาของบ้านเมือคสิ่งผู้หญิงที่ทำเมืองให้งามนะฮะนักโรสอบนีก็ประดับเมืองให้งามที่เขามาแต่งเป็นกรอนในเมืองใดไม่มีนารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจอะ่ะแล้วก็ ต่อมาในท่านกลายเป็นอุบาสิการะดับโซดาบันก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนถึงตั้งเป็นนิตยพัฒน์นีบนพระมารับอาหารวันละกี่รูปสี่รูปนะรู้สึกจะสี่หรือห้ารูปเนี่ยก็พระที่ไปรับเนี่ยเอาอาหารที่เธอถวายกับตัวเธอเนี่ยมาคุย ก็พระหนุ่มๆคนองนะบางทีก็คนองก็คุยเรื่องสาวๆเ ล, เล่นๆไปเรื่องอาหารก็ว่ากันไปแล้วพระหนุ่มรูปหนึ่งเนี่ยได้ยินเข้าวม่มันอยากมันมันพอใจมันจินตนาการมันานางสิริมามันสวยหยดย้อยในความรู้สึกของท่านนะ่ะเพราะอย่าลืมว่าคำพูดของมนุษย์เนี่ยถ้าเราสังเกตจะ ด, ดีว่าพูดวยโทสะก็ดีพูดราคะก็ดีพูดในโลภะก็ดีพูดในโมหะก็ดีจะเทสเยอะเลย ความจริงเนี่ยจะมีน้อยนะฮะแต่เราก็นิยมชุมชอบที่จะพูดคำพูดในลักษณะนั้นวันก่อนก็ไปร่วมอภิปรายกันกับคณะกรรมการสปรสคนหนึ่งก็รู้สึกเป็นคณะทำงานคนหนึ่งเป็นคณะทำงานเรามีพระสองรูปถึงคราวตะมาตะมาบอกว่ามันเป็นจินตนาการเป็นความฝันเป็นวิมานเมฆวิมานทราย มันเป็นไปได้ยากกันฮะเพราะว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางสังคมมีปัญหาสารภาพที่เราจะมาทุ่มไปที่ปฏิรูปการาศทษาอย่างเดียวเนี่ยบ้านเมืองมันก็ไปไม่รอดเพราะเรามันมีฝันเยอะเพราะว่าประโยคบางประโยชน์บรรทัดบางบัณฑิตอ่ะมาตราบางมาตราเราเห็นว่าเงินจงอยู่เบ้างหลังมหาศาลเลยแล้วถามว่าเงินมาจากไหนคําเดียวมันก็พูดไม่ได้แหละทําให้นึกถึงความฝันหวานอย่างเนี้ย หลายปีมาแล้วนะยี่สิบกว่าปีมาแล้วสมัยเจ้าสุวรรณภูม่าของลาวเนี่ยก็ปเป็นนายกรัฐมนตรีผู้แทนรัษฎรข่ายค้านเสนอเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยว่าสียดย้อยเลยนะมาความมันถ้าทําตามที่แกว่าเนี่ยเงินต้องเป็นแสนแสล้านนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของลาวชื่ออะไรไม่ทราบแต่แม่ชอบใจแกมากแกพูด พอผู้แทนพูดจบทาา่านก็ลุกขึ้นไปบอกว่าที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเสนอมาทั้งหมดนั้นรัฐบาลเห็นด้วยทุกข้อความแต่ว่าจ เ, เจ้าเงินจากผีที่ไหนมาทำแต่ท่านก็ลงไปนั่งเจอซื้อพิมพ์พ้ดหัวตัวไม้คือเนี้ยบางบางบางทีลักษณะอย่างเงี้ยมันพูดใดๆฮะพูดด้วยมุ่งไปด้านเดียวในการใช้อารมณ์ อารมณ์สร้างสรรนะที่จริงมาอารมณ์สร้างสรรนะแต่อย่าลืมนะว่าเราคิดบนโต๊ะเราคิดในห้องแอร์เราไม่ได้คิดภาคสนามเรื่องตแต่ละเรื่องเนี่ยที่จริงถ้าทาได้อย่างนั้นมันก็บ้านเมืองคจะเริญนรุ่งเรืองไปถึงไหนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าลักษณะเหล่านี้เวลาพระท่าทนาได้ยินพระหนุ่มๆพูดถึงนางสิริมาก็เข้าใจว่าตอนนั้นท่านอายุคงเยอะแล้วนะ อายุคงคงหลายแล้วอย่างอน่น้อยก่อ น, นึนกว่าสักสามสบกว่าไปแล้วแหละเราเป็นน้องสาวของหมอชีวกกมาระพัดพอถึงเวนนะฮะพอถึงเวนทีพระองค์นี้จะไปรับนิติภัทเนี่ยปรากฏว่าน้าสิลิมาป่วยก่อนหน้านั้นเน่ยท่านป่วยแล้วก็ตอนที่มาตักบาทเนี่ย คนใช้ก็ประคองประคองทั้งสองก็ตัวสั่นเทามาเลยนะหนาวสั่นแต่ท่านก็ยังพอใจที่จะทําบุญเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยภิกษุที่ท่านปรุงร่วงหน้ามาเนี่ยท่านไม่เห็นว่าท่านเป็นคนป่วยโทมผิวพรรณเนี่มันเปื่อยแห้งไปแล้วท่านก็มองมันเปแค่นี้กลับไปถึงกุฏิไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยไม่ยอมชั้งข้าวชั้นปลา เอาบาดวางนอนคลุมโปง่งคิดฟุ่งสั้นไปกันใหญ่เลยอีกสองวันนางสิริมาตายพระเจ้าเปรตเนี่ยกุศลก็ไปกราบทูลวงพุทธเจ้าสงสารพระเจ้าบอกให้ประกาศขายวใครต้องการนางสิริมาเอาเงินมาพันกหาปะนะัญะลดลงมาเรื่อยนะฮะจนให้เปล่าก็ไม่มีใครจะเอาศพก็ขึ้นพองอื่นขึ้นมาพระเจ้าก็ชวนพระไปดูภิกษุรูปนี้หายหิวข้าวเลยนะ คือแสดงว่าท่านจินตนาการเอาหน้าดูมากฝันเพ้อพริ้งเลยเพื่อนก็มาปลุกลว่าพระเจ้าชวนไปดูนางสิริมาต่อท่านก็รีบลุกขึ้นทำตามเสด็จไปนะฮะสมัยโบราณเนี่ยต้องอาบาดไปด้วยนะะอาบาดไปด้วยแต่พระธุดงสมัยเนี้ยก็ไปไหนก็จะอุ้มบาดไปด้วยตอนนั้นก็ศพก็ขึ้นอื่น ปุจจ ա ภก็รับสั่งสอบถามก็ให้ดูแล้วก็สอนให้พิจารณาถึงสังขารร่างกายเนี่ยว่าอานิจจาวัตสังขราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหนอุปาดบยาธมีโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาวประชิตวานในรุจันติเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปอะเตสังมูปสโมสุโ ข, ขการทํำจิตสงบประงับในสังขารทั้งหลายจะได้เนี่ยจะเป็นความสุขภิกษุไปหเห็นเข้านี่จเจริญ กรรมาฐานตามที่พระเจ้าทรงสอนวิปัสสนานะคิดอย่างนี้คิดวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเป็นประสดาดับ น, นั่นก็แสดงให้เห็นทังว่าภาพเดียวกันเนี่ยครั้งแรกท่านท่านท่านไปยึดอารมณ์สวยสวยสวยสวยล่วงหน้าไ้ตั้งนานนะนะสวยล่วงหน้าไปตั้งนานมันก็ปรุงคิดคิดปรุงจนจิตใจเนี่ยมันทึกทักกับเป็นอุปท า, านคือยึดติด เป็นการมุปาทานยึดมั่นเรามาของความใคร่ความปรารถนาความพอใจติดใจอำนาจเพลิดเพลินเพราะนันจะไม่ดูส่วนอื่นจะไม่ดูส่วนอื่นแล้วเป็นท่านปรุงในแนวที่สำนวนบาลีเนี่ยคือเราจะเห็นว่าการกําหนดอารมณ์การยึดติดอารมณ์มันจะมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งนั้นคือแยกส่วน เออตรงนั้นสวยตรงนี้สวยอะไรแต่อะไรก็ตามจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเรืออะไรก็แล้วแต่นะคือหมายความว่าแยกส่วนมาแล้วชอบในหลายๆส่วนหรือชอบในบางส่วนเมืสิ่งเหล่านั้นอีกแนวหนึ่งนี่รวบไปเลยทั้งทั้งส่วนทั้งเอ่อทั้งทั้งหมดทั้งคนทั้งหลังทั้งคันทั้งอ่ารุ่นทั้งอันอะไรต่อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะพูดอะไรคือชอบหมดนี่ก็คือคือสภาพจิตที่ไปยึดอารมณ์ พอยึดอารมณ์แล้วมันก็ไขว่คว้าปรารถนา่อไขวคว้าปรารถนาแล้วก็จะกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีต่อในสิ่งเหล่านั้นแล้วจะหวงจะห่วงจะมีการทะนุถนอมจะมีความบาดระแวงจะมีความมิตกกังวลจะห่วงใยกลัวว่าจะเกิดภยัยเกิดอันตรายเกิดความสูญเสียขึ้นมามีการราาักามีการป้องกันแล้วถ้าเกิดว่ามีใครจะยื้อแย่ง ต้องการจะครอบครองตัวเองจะเกิดโทสะก็ใจมันก็ไหลไปอย่างเงี้ยเพรา ะ, ะอาการของใจที่ไปยึดอารมณ์เนี่ยท่านลองสังเกตว่าแนวปัจจุบันในโลกปัจจุบันเนี่ยแนวการโฆษณาโฆษณาสินค้านั้นคือสร้างเงื่อนไขให้ยึดให้ยึดแล้วให้อยากยึดแล้วก็อยากยึดแล้วก็อยากยึดแล้วก็อยากซึ่ง ลักษณะของวิธีการในการโฆษณาสินค้าก็คือว่าครูให้กลัวกบยั่วยาพออยากแล้วก็ยึดยึดแล้วก็อยากต่อนะครัให้เรื่องเป็นนั้นมากที่เขาประสบความสำเร็จได้สถานะมัง่งคั่งร่ำรวยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ทุนท้ายสิ่งที่เราอยากแล้วเรายึดเนี่ยเราถามมันได้ประโยชน์อะไร บางทีมันไม่คุ้มเลยนะเสียเวลาไปถนนถนองไปดูแลไปอารักขาสิ่งเหล่านั้นหรือบางทีเนี่ยคนที่ไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยมีงานมีการอะไรอไรไปซื้อรถอย่างดีราคาเป็นสิบล้านใช้อยู่ตั้งหลายปีแล้วยังไม่ขึ้นหมื่นเลยยังไม่ขึ้นหมื่นกิโลเลย น, ะนี่เราจะเห็นว่ามัน ใจมันถูกปรุงให้อยากอยากแล้วก็ยึดพอยึดเนี่ยมั น, ม, นมันทั้งอยากทั้งยึดเนี่ยมันมีโมหะอยู่โมหะมันก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในที่สุดไม่ได้คิดในรายละเอียดเพราที่จริงการมีอะไรที่มากเกินไปเนะี่ยมันเป็นทุกข์นะฮะมันต้องแบกในการครอบครองในการถือครองสิ่งทั้งหลาย แล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าไ อ, ไอ้ที่มันยึดอารมณ์มากเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะคล้องติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่ปล่อยวางเลยนะฮะแล้วแต่ยึดแรงขนาดไหนถ้ายึดมากๆแล้วเนี่ยบางทีสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว เ ห, หมว่าบางทีเนี่ยสามีพัญญาตายไปแล้วคู่รักตายไปแล้วตายไปตั้งหลายปีแล้วแล้วก็ยังติดข้องอยู่งนะั้นแหะยังยึดยังติดข้องอยู่พอพูดถึงก็ร้องไห้สามีปัญญาคนนั้นตายไปเกิดที่ไหนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเกิดเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เลยนี่คือสภาพจิตสภาพจิต ที่มีปัญหามากเราจะเห็นว่าเวลาเรียงเนี่ยผู้เจ้าจะเรียงถ้าถ้าถ้าสอนชาวบ้านเนี่ยจะพูดถุงเบะโทสะโมหะถ้าสอนพระนี่จะพูดถึงราคาโทสะโมหะทั้งคู่นั่นแหละคือกันะเราจะเห็นว่าที่จริงที่เราโลภอยากได้เนี่ยก็คือกรรมคูณเหมือนกันเพียงแต่ไม่เน้นในเรื่องเพศสัมพันธ์ เป็นเน้นกระจายหมดทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งเย็นรอน้อนนอนแข็งที่ใจกําหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจเนี่ยมันก็อยากแล้วก็ยึดจนกลายเป็นอาการข้องติดหมกมุ่นคุ่น ค, นคิดกระสันอยากแนวอารมณ์เหล่านั้นอยู่ลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้นะก็เกิดที่ใจใครก็เป็นอย่างเนี้ยเกิดเมื่อไรมันก็เป็นอย่างเนี้ยเว้นไวแต่ว่า ปัญญาเรามีมากพอต่อการวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินสิ่งเหล่านั้นรับฟังแต่หลายใต่ร่มพระโาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอก ง, งามไปบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี